ลักษณะสูตรว่าด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการพร้อมด้วยเหตุผลที่ให้เกิดลักษณะนั้นๆ 8. สิงคาลักกสูตรว่าด้วยสิง้าลกกามานุษย์ส่วนใหญ่เป็นการสอนธรรมะของผู้ครองเรือนและเรื่องทิศ6ที่อุปมาด้วยบุคคล6ประเภท 9. อาอาตานาติยะสูตรว่าด้วยการรักษา